ศพปรกมากเลยมนุษย์เราหาของที่สพปรกเท่าร่างกายคนเนี่ยยากมากนะร่างกายเราเนี่ยโหสุดๆเลยเราเจอศพสัตว์นอนสัตว์นี้นะเวลาเน่าๆก็เหมินออกนะแต่ศพคนเนี่ยหม็นอันดับหนึ่งเลยใครเคยไปสถาบันนิติเวศบ้างไหมที่เขาเก็บศพ กลิ่นของศพคนนี่นะสุดยอดตรงหายใจเข้าไปเนี้ยขมเลยนะขมในคอเลยอย่างอื่นยังไม่เหม็นเป็นขมอย่างงี้นะแปลกแล้วกลับมาบ้านนะมาอาบน้ำถูสบู่เท่าไหล่รอบนะยังมีกลิ่นอยู่เลยกลิ่นนี่จะฝังเข้าไปในเนื้อมันพวกเดียวกันของประเภทเดียวกันนะกลมกลืนเข้าหากันนะฝังเข้าไปในเนื้อเลย เงินบรรดาศพทั้งหลายที่หลวงพ่อเคยเห็นนะกระทั่งศพม้าตายอะไรต่ออะไรตายนะเราได้กลิ่นมันพอมันไปแล้วมันผ่านไปแล้วนะก็ไม่มาติดตัวเราอยู่ศพคนเนี้ยกลิ่นติดตัวเลยเงินร่างกายเราดูสวยๆงามๆนะไม่สวยไม่งามเลยโซ่ปลกดูไม่ได้เลยเวลากอดกันนะ ผีกอดผีกระดูกกอดกระดูกพาวนาแล้วก็จะเห็นนะไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่น่าเลื่อมใสมีแต่ของไม่ไม่ดีปฏิกูลถ้าไม่ไม่ได้พอวนาเพราะว่ามันสวยมันงามยิ่งสาวสาวได้สวยอะไรนะสาวสาวสวยก็สวยไม่จริงหรอกนะ ลงไม่สระผมสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ไหวแล้วใครสระผมทุกวันบ้างเอาสามผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องผู้ชายบางคนน่ะผมไม่ค่อยมีสระแป๊บเดียวก็แห้งละผู้หญิงผมยาวๆออกภาระเยอะนะต้องมาได้มากเลยไม่สระผมไม่กี่วันก็น่าเกลียดทนตัวเองไม่ไหวอย่ว่าแต่คนอื่นทนไม่ไหวเลยตัวเองก็ทนไม่ไหว ตื่นเช้าขึ้นมาเคยเอามือรูปหน้าไหมหน้าเนี่ยหน้าเรื่มใสนะ <c oughs> <c oughs> มันดีนะแววเนี่ยดูไม่ได้เลยนะสิ่งที่ออกจากร่างกายเรานะโยเวนปัสสาวะนะนอกนั้นเรียกขี้ขี้หมดเลยตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนนะขี้มือไ ขี้มือขี้ตีนขี้หัวขี้หูขี้ตาขี้โมกขี้ฟันขี้เฉยๆขี้ใครของที่ออกเกี่ยงตัวเรานะโยเวนปัสสาวะเรานะขี้เรานั่นแหละที่ดูๆไปไม่สวยไม่งามสมัยพุทธกาลพระอรหันต์ท่านเคยพูดรู้สึกอย่าพระมคคะลา ท่นพูดถึงร่างกายผู้หญิงนะบอกว่าร่างกายของเธอเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่เก้ารูรูรั่วเล็กๆนับไม่ท้วนมีของโศโครกไหลชุ่มออกมาเป็นนิดเนี่ยธรรมะแบบนี้เหมาะที่จะฟังหลังอาหารนะ <c oughs> งั้นเราอย่าไปหลงอะไรมากนะร่างกายนี้เอาไว้ ใช้ประโยชน์ไม่ทำประโยชน์ของตนเองให้ถึงที่สุดเลยนะแล้วทำประโยชน์ให้ส่วนรวมให้คนอื่นด้วยเท่าที่ทำได้หลวงปู่ดูนท่านสอนหลักไว้นะว่าอย่าการทำดีทำบุญทำอะไรเงี้ยมีโอกาสก็ทำโอกาสทานไปแล้วอยู่เฉยๆดีกว่าใช่ว่างี้นะดิ้นลนมากก็ทุกมากนะเป็นภาระภาระกวนใจ เวลาที่เราภาวนานะเราต้องพยายามปลดภาระออกจากใจเราให้มากที่สุดถ้าใจมีภาระเรียกว่ามีปริโพ o o ปริพ o o t อย่างบางทีร่างกายเราไม่ดีเจ็บป่วยนะกังวล น, นี้เป็นปริโพ o o t กังวลด้วยหมูนะ่คณะกังวลด้วยบ้านนะบ้านน้ำจะท่วมบ้านปลวกจะขึ้นอนะไรเงี้ยใจกังวลท่วมเต็ม บ้านใครเคยเจอส่วมเต็มไห ม, มกังวลไห ม, มบางทีส่วมไม่เต็มแต่น้ำมันเออท่วมใต้ดินใช่ไหมรดน้ำไม่ลงชักโครกไม่ลงลอยฟอ้องยันเราต้องพยายมลดภาระทางใจเรานะบุคคลปริพภทก็มีนะบางคนเป็นภาระทางใจปวนใจ นี่บุคคลปริพโภชอาวาสปริพโภชที่อยู่อาศัยอะไรเนี่ยอาหารปริโภชไม่มีอยู่ไม่มีกินก็ลําลบากใจกงังวลหาอยู่หากินไปวันวันหนึ่งนะจะภาวนาสบายก็ต้องตัดปริพโภชเครื่องกงังวลปริพโภชคือเครื่องกังวลใจตัดปริพโภชแล้วก็ ทำเงื่อนไขอื่นๆที่ดีเ้อเฟื้อ ก, การภาวนามีความมักน้อยมีความสันโดษไม่คลุกคลีนะสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ทั้งสิ้นเลยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามักน้อยหมายถึงว่าอันนี้เหมาะกับพระไม่ได้เหมาะกัะโยมนักะโยมไปใช้สันโดษได้เยอะพระก็เราใช้มักน้อยมักน้อยหมายถึงว่ามีโอกาสได้เยอะก็เราน้อย มีโอกาสได้มากก็เอาแต่พอดีไม่เอามากไม่ละโมกไม่ใช่เขาให้เท่านี้นะขอเท่านี้เอาเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆอนี้ไม่ใช่มากน้อยนี่มากมากส่วนโยมต้องมีสันโดษสันโดษหมายถึงว่าพยายามทํามาหากินนะพยายามเต็มที่เลยแต่เมื่อพยายามเต็มที่แล้วมันได้ผลเท่านี้กล่าวว่าปีนี้จะกําไรสิบล้านได้ล้านเดียว ก็สุดฝีมือมันแค่นี้แล้วล่ะที่เหลือต้องไปจ่ายค่าคอมมิชชั่นหมดนะเลยเหลือล้านเดียวนี่ก็ต้องพอใจนะอิ่มใจเนี่ยนําพักน้ําแรงเรานี่สันโดษพอใจในผลไม่สันโดษในเหตุนะสันโดษเนี่ยสันโดษในผลไม่ใช่สันโดษในเหตุเหตุเนี่ยต้องขยันเต็มที่แต่เมื่อได้ผลเท่าไหร่แล้วก็โอเคได้เท่านี้แหละไม่กลุ่มใจ ไม่ใช่ค้าขายแต่วันนี้ได้กำไรร้อยบาทนอนเอามือกายหน้าผากอะไรกุ่มใจไม่ได้น้อยอะไรย่างเงี้ยเาพยายามมีชีวิตที่มักน้อยสันโดษนะไม่ครุกคลีรวมกลุ่มกันมากๆวุ่น ว, ว, ย ว, ยวยายกระทา่งรวมกลุ่มกันไปทอดท่าป่านะยุ่งไหมทอดท้าป่าทอดกระถิน่นเฮ้เสนุกรดความทีเดียว ยังเป็นทางเถียงโยมประบาลฉันกำลังมาทำบุญทำไมจับฉันหลงรนกแกขาดสติสิถ้าเป็นหลวงพ่อนะเป็นโยมประบาลนะแกขาดสติฉันถึงเอาแกมาได้ให้แกมีสติฉันเอาแกมาไม่ได้หรอกมากน้อยสันโดษนะไม่ครุกคลีไม่ครุกคลีไม่ใช่แปลว่าไม่มีเพื่อนนะถึงว่าครบก็ครบกัน ช่วยเหลืออะไรก็ช่วยกันแต่ถึงเวลาของเรานะเราต้องพอหนังเรานะ่ะอย่ามามั่วสมเงินอยู่ทั้งวันไม่ได้บางคนบอกว่าไม่ได้มั่วสมนะนั่งคุยธรรมะ ก, กันคุยธรร ม, มนะตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ำยันดึกดึกยันสว่างเนี่ยจิตใจใฝ่ธรรมนั่นเป็นอัปมงคลนะถ้าเป็นมงคลท่านบอกว่าสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลสนทนาธรรมตลอดกาลเนี่ยอัปมงคลนะ เพราะไม่มีเวลาภาวนาแนะั้กระทั่งคลุกคลีกันทาดีนะถึงเวลาก็ต้องปลีกตัวภาวนาะทางสายนี้ทางของคนเดินคนเดียวมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรนะถึงเวลาของเราต้องถวายพระพุทธเจ้าเวลาส่วนตัวของเรานี่แหละเวลาสำคัญที่สุดเวลาพัฒนาตัวเอง ถึงเวลาตั้งใจไล้ตอนเย็นก็ได้ตอนเช้าก็ได้ตอนไหนก็ได้ตั้งใจไว้เลยถึงเวลานี้เป็นเวลาของเราแล้วเป็นเวลาที่เราจะเฝ้าพระพุทธเจ้าไหว้พระสวดมนต์ไม่มีห้องพระก็ไม่เป็นไรอยู่สมมติอยู่แฟลตอยู่คอนโดมไม่มีกระทั่งพระพุทธรูปก็ไม่เป็นไรนะไหว้ไปตรงไหนตรงนั้นก็เป็นพระทั้งนั้นหละเอาหมอนมาตั้งไหว้ตรงหมอนหมอนก็เป็นพระได้ ไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธรูปก็ได้ไว้พระสวนมนต์เลแล้วก็ทำความเพียรภาวนาไปถือเป็นเวลาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าละเป็นเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วโอกาสที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าหายากนะนานๆจะมีพระพุทธเจ้าสักองค์หนึ่งตอนนี้มีพระพุทธเจ้าแล้วธรรมมาของท่านยังดำรงอยู่เป็นาศาสดาแทนตัวท่าน เราก็มาภาวนาให้ใจของเราเข้าถึงธรรมะเรียกเราเข้าถึงพระพุทธเจ้านั้นบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเงี้ยพวกเรานี่เกิดไม่ทันร่างกายของพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่ถ้าเราเข้าถึงธรรมได้นะถือว่าเราเห็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเราเห็นจริงๆนะแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาเห็นด้วยใจใจใจที่มันเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละโอ้ใจนี้แหละคือใจของพุทธะจิตของพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้แหละ คือมีความสะอาดบริสุทธิ์อันเดียวกันนี้เลยงั้นเราอย่าอย่าทิ้งนะการภาวนาะบางคนปฏิบัตวันประกันพุ่งเวลาภาวนาะเอาไปทิ้งเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนใครเคยบอกเอาไว้ก่อนบ้างไหมเรื่องภาวนาะยกมือซิสารภาพมาเป็นบาปอย่างแสนสาหัสบาปชนิดขวางกั้นมรรผลนิพพานนะ งั้นต่อไปนี้เหยียบผลัดนะความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่รู้พระศ า, าสดาสอนเราให้ไม่ประมาทฉันบอกไม่มีใครจะผัดผ่อนความตายได้นะจะมาถึงเราเมื่อไร่ไม่รู้งั้นเราต้องภาวนาถึงเวลาทําทุกวันนะเวลาที่เหลือในชีวิตประจําวันจเจริญสติไว้ถ้าไม่ได้ทํางานที่ต้องคิดจเจริญสติในชีวิตประจําวันไป เดินอยู่ดีๆเขาก็ยิงเราได้ใช่ไหมมีได้สารพัดเลยเพราะั้ความตายมาถึงเมื่อไรไม่รู้นะตั้งใจภาวนาถ้าเราตายตอนนั้นสมมติว่าเดินอยู่ดีๆเขาปล้นร้านทองโดนลูกหลงตายโดนลูกปืนไม่ได้โดนลูกหลงหรอกลูกหลงไม่ทำให้ใครตายลูกปืนต่างหากทำให้ตาย <c oughs> ถ้าโดนตายาเราก็ยังตายอย่างภูมิใจนะ โอ้ขณะที่กำลังตายนี่กำลังพุโทโธอยู่กำลังหายใจอยู่ตายยังมีเกียรตินะตายอย่างลูกพระพุทธเจ้านะนะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะมากน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปลารบความเพียรมีสติเนืองๆตั้งใจรักษาศีลฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันดูธาตุดูขันสแสดงไตรลักษณ์ จทังได้มรรคได้ผลจะได้มรรคได้ผลก็เรียกว่าปลอดภัยละถ้ายังไม่ได้นะแต่ว่าเราได้ปฏิบัติเต็มที่แล้วก็เรียกว่าชีวิตนี้คุ้มค่าละนั้นอยู่ที่ทาถ้าทำเต็มที่แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าละงั้นพยายามนะตัดเครื่องกังวนใจออกไปมากน้อยสันโดษไม่ครุกคลีปรารบความเพียรเจริญสติมีศีล มีสมาธิฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองจเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันไปสุดท้ายวิมุตติก็เกิดวัดผลก็เกิดถ้าไม่เกิดต่อไปได้ดีที่สุดเลยภาวนารจิตมันปล่อยวางขันขันสุดท้ายที่มันปล่อยวางก็คือจิตนั่นแหละจิตปล่อยวางจิต จิจะปล่อยวางจิตได้ก็ต้องเป็นอย่างที่หลวงปู่ดนบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะหลวงปู่ท่านสอนแบบออมไว้นิดหนึ่งเนี้ยบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหันตมรักษ์ที่จริงเขาจะปล่อยวางจิตนะแต่ท่านลดระดับมาเหลือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรักษ์ที่จริงต้องเป็นอรหันตมรักโสดาสารตะคาอะไรนี่ยังไม่แจ้งในตัวจิตยังไม่แจ้งในตัวธรรม จิตจะทำนั้นอัน<ๆ>เดียวกันรวมเข้าด้วยกันนะแ้วจิตเข้าถึงทำแล้วทำก็คือพุธธทธะแลจิตก็ เ, เป็นพระพุทธะขึ้นมาเอาให้คนอยู่วัดส่งกันบ้านก่อนยากมากกว่าจะได้มาอยู่วัดตั้งแตที่หลวงพ่อบอกว่าใช้ได้แล้วก็ได้ไปดูตามรู้ตามดูมแต่ช่วงหลังที่จะเจอช่วงที่ตามดูอยู่นี่จะเป็นวิบากกับ กิเลนะฮะที่ตามติดอถู่เดี๋ยวไปปรุงมันก็แล้วกันถ้าปรุงก็เป็นกรรมใช่ค่ะเพราะว่าบางครั้งมันก็ดิ่งนะฮะหลวงพ่ออคือดูไม่ทันดูไปรู้เท่ารู้ทันไปหลวงพ่อคะเมื่อเช้าที่หลวงพ่อบอกว่าการส่งจิตไปดูคนอื่นนั้นไม่สมควรทําช่ไหมคะทีนี้บางครั้งไม่ได้ตั้งใจนะไอ้ตรงที่ว่าจะเบรกมันยังไงคะมันรู้เองใช่ไหมมันรู้เองก็ช่างมัน แต่อย่าไปนสนใจถ้ายิ่งสนใจนจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นสุดท้ายมันจะไม่ดูตัวเองอเจะรู้แต่ของคนอื่นนะดูไม่ยากหรอกหมายังดูเป็นเลยหมามันเข้าใกล้บางคนเนหะ็นมมันกลัวลอะไรไมเข้าใกล้บางคนมันมีความสุขมันยังรู้เลยเแต่ทั้งงูยังรู้เลยนะงั้นอย่าภูมิใจเลยรู้จิตคนอื่นหมาก็ทำได้ หลวพ่อรรคะเมื่อกี้ที่บอกว่าขี้โมโหนี้จริงๆก็รู้ตัวอยู่ว่าก็เห็นอยู่ว่าเกิดโทสะแต่อย่ามาเห็นทีหลังก็จะเอา้าถูกแล้ว<ะ>ถ้าเห็นก่อนไม่ได้เป็นดักดูผิดถ้าให้โทสะเกิดแล้วรู้ว่ามีโทสะอย่างนถึงจะถูกนะก็เหมือนก็พาวน า, าในในแต่ละวันอยู่นะคะ เ, เพียแต่ว่าอาจจะช้านะคะช้าแล้วก็ช้าอะไรไมายถึง เอาบางทีแบบเหมือนมันกระโจนไปในอารมณ์ตรงนั้น<อ>นานค่ะแล้วก็ก่าจะรู้ตัวก็เหมือนมันช้ามันต้อง ม, ม, มีเครื่องอยู่<อ>เวลามันทิ้งเครื่องอยู่ไปเ<อ>ช่นเราอยู่กับพุทโธพุทโธนะพอมันทิ้งพุทโธไปมันจะรู้เร็ว<อ>ถ้าไม่มีเครื่องอยู่เนหนีก็หนีนาน<อ>นะไปหาเครื่องอยู่ไปจะอยู่กับร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ได้นะเห็นร่างกายกระดุกกระดิกอะไรย่างงี้ก็ได้ะทําอยู่ นักวิชาการค่ะหลวงพอ่อก็เป็นรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติขึ้นนะคะ่ะใช่ได้สิต้องเป็นธรรมชาติเราเรียนธรรมะนะธรรมะเป็นเรื่องของธรรมดาธรรมดาอย่างเด็กๆนะหลวงพ่อชอบอย่างนะพวกเด็กเล็กนะใจิตใจมันเป็นธรรมดามันไม่มีมัญญานะเดี๋ยวรอ้องเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวก็หัวเราะเดี๋ยวก็ร้องไห้นะร้องไห้น้ําตา ย, ยังไม่ทันแห้งก็หัวเราะได้อีกแล้ว สิมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเด็กๆเกนี่ยมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเขาขาดสติพวกเราน่ฝึกให้มีสตินะแต่ว่าไม่มีอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติเราไปดัดแปลงความรู้สึกดัดแปลงอารมณ์จนม็นผิดธรรมดามนิ่งๆอย่าไปดัดแปลงมัน ร, รู้ไปสบายๆรู้ไปสบายแล้วมันก็สบาย น, นั่นแหละอย่เครียดอย่าให้เครียดนะพานาะ ดีนะไม่เถียงหลวงพ่อบอกอย่าให้นนเนนครียดนะเครียดเป็นอนัตตาค่ะห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้จริงๆนั่นแหละแต่ว่าคอยรู้ทันเรามันมาจากเราโลภก่อนนะเราอยากดีๆอยากรู้ตลอดอะไรเงี้ยไปจ้องๆมันก็เครียดขึ้นมากิจกรรมึกษาครับก็เมื่อวานก็สร้างค่อนข้างมากครับอืม วันนี้ก็ยังคงไปอยู่ครับถ้ามันไม่ได้กับนะหน้าที่เราดูอย่างที่เขาเป็นดูเรื่อยๆดูไปเรื่อยวันหนึ่งก็เข้าใจเคยเห็นไหมร่างกายไม่ใช่เราเห็นไหมไม่แน่ใจครับเคยเห็นไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วมันผ่านมาผ่านไปอันนี้เคยเห็นไหมก็คือผมยังไม่ค่อยแน่ใจครับแล้วรู้ไหมว่าไม่แน่ใจ เริ่มรู้แครับรู้ความรู้สึกนะไปหัดนะรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดสดร้อนๆแต่อย่าไปรอดูความรู้สึกนะให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาห้ามรอดูถ้ารอดูแล้วจะเครียดแน่นๆเฉั้นทุกคนรู้จักความรู้สึกอยู่แล้วสุขเป็นไงก็รู้ทุกเป็นไงก็รู้นะโลภโกรธหลงเป็นไงก็รู้งั้ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็ค่อยรู้เอาเราจะเห็นว่าความรู้สึกนั้นมาได้ก็ไปได้ สุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไปนะโลภโกรธหลงมาแล้วก็ไปดูอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เข้าใจของมันเองแล้วอย่างผมจะต้องแยเข้าวแยกันดูดูความรู้สึกไปนะเดี๋ยวมันแยกเองกรบาบธรรมสการค่ ะ, ะเมื่อวานรู้สึกว่าไม่ค่อยมีแรงวันนี้รู้สึกจะมีแรงเพิ่มขึ้นก็อตอนนี้ก็ตื่นเต้น มันก่อนนะพวกเรารู้จักหมอนัฐไหมหมอนัฐน่ะมาทำสมาธิลักขณูปนิชฌานคล่องขึ้นมานะเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วขึ้นรถไฟฟ้าเห็นคนเยอะเลยมองไปนะเอ้าทุกคนนอาขันมันแยกอยู่แล้วแต่ละคนอาคารมันแยกอยู่แล้วนี่แล้วทําไมรู้สึกว่ามันรวมจริงๆตามธรรมชาติขัน้็เป็นขันคือเป็นส่วนๆแยกกันอยู่แล้วว่าน่ะ แต่ละคนแต่ละคนนี่แหละเข้าไปหมายรู้ผิดๆเน่ยว่ามันเป็นเองไปรวบมันเข้ามาจิตคนแต่ละคนไปรวบมันมารวบด้วยความรู้สึกนั่งจริงๆขันมันแยกออกจากกันงั้นการที่เราถ้าใจเราเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะรู้ตัวไปสบายๆเรื่องแยกขันไม่ใช่เรื่องยากนับหรอกเพราะจริงๆขันมันแยกอยู่แล้ว่ะร่างกายกระใจมันก็คนละอันกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหม แต่เราไปคิดว่าเป็นอันเดียวกันเนี่ยเราโกโรธอย่างเงี้หรือว่าเราเดินเรายืนเราหายใจออกหายใจเข้าไปรวมกันทั้งๆงที่ความจริงมันก็แยกกันอยู่อย่างนั้นนะร่างกายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งใจมันก็อยู่ส่วนหนึ่งนี่เรามาค่อยๆมาฝึกตัวเองจนใจของเราเนี่ยเป็นธรรมดาไม่เข้าไปตะครุบเอาท่าเอาขันขึ้นมา ยังค่อยสังเกตเวลาในชีวิตประจำวนันสมมติมันมีอะไรมากระทบป๊บมันจะมีเหมือนหยุดอยู่นิดนึงแล้วก็ค่อยมีอารมณ์ตามมาอันนี้คือปกติปก ต, ปกติเวลาสิ่งต่างๆมากระทบนะจิตมันจะมีกระบวนการอยู่ช่วงหนึ่งนะมันจะรับรู้มาก่อนทีแรกช่วงที่รับมาเนี่ยยังไม่มีความรู้สึกอารมณ์อะไรหรอกแล้วมันมันแปลความนะมาให้ค่านะแล้วถึงจะเกิดความรู้สึกเกิดอารมณ์ขึ้นมา มีกระบวนการทํางานพอทําทงานเสร็จแล้วจิตจะตกผวังจะว่างๆแบล็งแบลงไปนิดหนึ่งแล้วขึ้นมารับอารมณ์มันใหม่จิตจะลงผวังเป็นช่วงช่วงตลอดเวลานั่นแหล ะ, ะดีแล้วนะไปดูต่อจะโมโหหลังจากนั้นจะโมโหจะเสียใจจะโกรธอะไรนี้คือห้ามห้ามไม่ได่หรอกแต่ว่าถ้าโมโหเสียใจโกรธแม่ผิดศีลเท่านั้นโกรธก็ไม่ไปด่าเขาไม่ไปตีเขาอะไรอย่างเงี้ยโกรธแล้วรู้เอาว่าโกรธ คุณค่ะหมดแล้วหรือจ น, นังวัดเอาใครจะส่งกันบ้านว่ามาอันนี้ไม่ค่อยมีเสียงแก่ยวดำมัสการค่ะหลวงพ่ออืค่ะก็ฝึกดูจิตนะคะก็รู้สึกว่าหลังๆก็เหมือนกับรู้สึกตัวได้ได้ดีขึ้นแต่ก็ยังรู้สึกในชีวิตประจำวันได้ได้น้อยค่ะแล้วก็รู้สึกว่า จิตมันก็เดี๋ยวก็ไปนู่นไปนี่แล้วก็รู้สึกหลังๆมารู้สึกว่ามันมีแอบความไม่พอใจอที่ที่อยากจะได้ดีอยากจะเห็นเยอะๆแล้วพอเยอะๆก็จะมาเพ่งจะมาแบบต้องทําอะไรต่อแต่พอมารู้สึกมันก็รู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีว่าอ้าวเมื่อกี้ก็หลงไปอีกแล้วชมันก็จะเป็นลักษณะเนี้ค่ะเถ้าสู้กับความหลงไปอย่างนั้นแหละรู้ทันไปเรื่อยๆทาถูกแล้วล่ะจิตก็เดินถูกแล้วค่ะ แล้วก็หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะว่าลูกยังมีติดอะไรอยู่เรียนรู้ไปน ะ, ะอยู่ที่การเรียนรู้ของเราเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์สอนได้นะคือวิธีปฏิบัติเทา่านะสอนให้เราหัดรู้สภาวะนะเห็นรูปนามสแสดงใจลักอะไรเมื่อเห็นแล้วต้องดูเองแล้วต่อไปนี้ส<จ>นใจมันยอมก็ให้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะ กลับนมัสกรารหลวงพ่อเจ้าค่ะตั้งแต่กลับจากวัดไปก็คือตั้งใจปฏิบัติเช้าเย็นแบบที่หลวงพ่อบอกค่ะพูดโทแล้วก็จิตไหลไปแล้วรู้ก็จะเห็นมันหลงไปอยู่ตลอดเอออย่างนั้นสิทีนี้ก็ดีค่ะแล้วมีโทรสะแแรกอยู่บ่อยๆมากๆเลยค่ะหลวงพ่อแต่ว่าก็รู้สึกว่าศีลดีขึ้นเออเจ <c oughs> อ, อย่างนั้นแหละคับพูดพูดน้อยลงมไม่ทะเลาะคนเออดี รู้สึกว่าในชีวิตประจำวันรู้ได้ดีขึ้นนะหลวงพ่มันมีแรงขึ้นแล้วดีขอบพระคุณพระพุทธเจ้าแล้วขอบคุณหลวงพ่อนะเจ้า่ะอย่างนี้ถูกใจอ่ะกลับขอขมาครูบาอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อด้วยเจ้าค่ะเออสาธุสาธุค่ะชาพูดเราขอขมากันนะแต่ว่าไม่ใช่ขออาหสิกรำกรำขอกันไม่ได้ขอขมาคือเปิดเผยแสดงความจริงใจจะตัดการจองเวร ในจังเวนกันอ่ะกับน้มัสการ์พระอาจารย์นะครับอืจะสอบถามสภาวัดหน่อยครับพอดีมันจะวายนะวายแล้วมันทุกข์แล้วมันมันออกทางร่างกายครับอะไรนะอะไรอะไรมันทุกข์นะจิตมันไหวแล้วจิตมันไหวทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วมันออกทางร่างกายบางทีมันก็เบื่อบางทีมันก็ไม่ชอบครับเอานะ วิธีที่เราจะพักได้ตรวนี้คือการทำสมาธิเท่านั้นแหละไม่มีที่พักอืนอ่นเลยเรางพ่อเคยเป็นนะแล้ เ, เห็นมันไหวอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนเลยนะหลับอยู่ก็เห็นนะทั้งวันทั้งคืนนะเป็นเดือนกว่าๆนะโอ้ยเหนื่อยถ้บขัดใจตายเลยนะทำไงก็ไม่หายไปถามครูบาอาจารย์ก็แก้ไม่ตกนะสุดท้ายก็มาทำความสงบเพรามาหายใจไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรอะไรเงี้ยนับหนึ่งนับสองไปเรื่อย พอ จ, จิตรวมปุบนะมาดูคราวนี้ไม่เกี่ยวกับเราล้วจิตจะปล่อยที่ไหวๆนี้มันก็เลยชุกหนีบางทีมันก็เลยหนีถูกข์หนีไม่ได้หรอกรมันหลอกตัวเองไปงั้นนะอ่ะเพราะมันทุกข์อยู่แล้วเดี๋ยหนีได้ไงนะทําความสงบเข้ามาเนี๋ยนก็ผ่านไปกลับมามัสการหลวงพอ่อค่ะอืก็เห็นว่ามีความปร่งโล่งเบามากขึ้นนะะ แต่ว่าช่วงหลังนี้อะค่ะรู้สึกว่าเห็นว่าจิตมันปรุงไม่หยุดเลยเออไม่หยุดหรอแล้ ว, ลวอะไรคือจิตนะไหมจิตเนี้ยนะมีลักษณะคือเป็นธรรมชาติรู้ะนะแล้วก็หน้าที่มันไม่ใช่รู้เฉยเฉยจิตเนี่ยมีลักษณะมีธรรมชาติที่คิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาเนี่แต่เดิมมันก็คิดนึกปรุงแต่งแต่ไม่เห็นงั้นเราก็เลยหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่ง ไอ้ตอนนี้มันคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเราเห็นแล้วนะเราก็ยังไม่หลงมันเพราะเห็นต่อไปจะเห็นแต่ทุกข์นะดูไปภาวนาถูกแล้วแล้วก็ช่วงนี้เห็นว่ามันง่วงบ่อยอะค่ะเราจะแบบจิตมันมีนิพพามันเห็นความจริงมากๆแล้วมันเบื่อหน่ายเพราะฉะนหลบไปง่วงแทนไม่ต้องตกใจง่วงก็พวนะแม้แต่นั่งสมาธิบางครั้งก็ปรับ หายไปกับหายไปเลยใช่จิตมันหลบมันมันมันทนไม่ไหวก็แค่ดูไปเฉยๆหลวงพ่อเคยเป็นเนี่ยที่นั่งตอบได้แทบทุกเรื่องนะพ่อเคยเป็นแทบทั้งนั้นนะไอ้ที่ผิดๆเนี่ยทํามาแล้วทั้งนั้นนะแต่อย่างนี้ไม่ถือว่าผิดนะเป็นกระบวนการของจิตที่มันเป็นอย่างนี้แหละคภาวนาได้ดีเห็นไหมว่าขันมันแยกออกจากกันหมดแล้ว ดีเห็นไม่ขันแต่ละขันแสดงใจรักได้ทั้งนั้นเลยก็ทั้งตัวจิตใช่ค่ะเออนะเห็นหมดแล้วละตอนนี้อยู่ที่ว่าพอเมื่อไหร่เท่านั้นแหละอย่าอยากน ะ, ะถ้าอยากแล้วก็ไม่ได้หรอกมันได้ตอนที่หมดอยากแนละ้วกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระสูงขอบพระคุณพระพุทธเจ้าเลยการขอบพระคุณพระพุทธเจ้าเออนะยังไงต้องไม่ลืมพระพุทธเจ้านะอย่าเชื่ออาจารย์มากกว่าพระพุทธเจ้าหลังๆเขา เชื่ออาจารย์มากไปศรัทธาแต่อาจารย์แล้วลืมพระพุทธเจ้า<ะ>ที่อาจารย์สอนผิดด้วยซ้ำไปถึงไงเราต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักไหมเอายมเชิญไปเดี๋ยวหลวงพ่อจะคุยกับพระนิดหน่อย